ก็ขอโอกาสคณะสองนะว่าจเจริญพรเป็ยังบุณแมชียัดยมทำดุตันชอนนี้เราก็ตั้งใจมารวมตัวกันเพื่อฟังทรรจากหลวงความ เ, เขียนท่นก็ไม่ได้มาชาตนี้ นับัลลัง ท, ที่มาฝึกสติเป็นคลาสประจําปีที่เราคลาดเข้มคําว่าเข้มในที่นี้ก็หมายถึงการสัมผัสกับความรู้สึกตัวทีๆไปยังคณะแต่ละคณนะโดยใช้การเคลื่อนการไหวการเดินจงกรมการยกมือสร้างจังหวะ เป็นกสรจโลบายเป็นอุบายที่ทำให้จิตใจของเรามีเครื่องอยู่มีที่อยู่เรียกวันมิตรไปเกิดความคุ้นชินเคยชินในการที่จะเคืนจิตคลืนใจสู่สภาวะปกติที่ประบกันะในการเคลื่อนไหวแต่ลขณะแต่ละขณะ ข, ของกายผู้จะให้เห็นจิตใจของเรา ที่เคลื่อนไหวคิดนึกปงแต่งหรือว่าเวลามีอารมณ์เกิดขึ้นมาภายนอกภายในจะเห็นเป็นปัจจุบันขณนนะเป็นมาของสมมุิบรรยัตเป็นวัตถุอาการปรมัติ์ที่แต่ละขณะแต่ละขณะธรรมชาติของความเป็นจริง ธรรมชาติของกายของใจเมื่อเรามีความจริงรู้ความจริงเห็นความจริงเกิดปัญญาขึ้นมามันจะแจกแจงแยกแยะในสิ่งที่รู้มันจริงมันไม่จริงมันเป็นสุขมันเป็นทุกข์อย่างไรนเพราความคิดมันเป็นหลังของความทุกข์มันเป็นหลังของสมมติบัญญัติ สิงหนงบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบบางคนก็พอใจบางคนก็ไม่พอใจบางคนก็มาเป็นสุขบางคนก็มาเป็นทุกข์สิ่งเดียวกันเราก็ได้เห็นเปนลนักษณะของอาการปรมัติก็คือมันไม่มีค่าอะไรเห็นสัตว์รเห็นได้ยินสัตว์อะไรยินยกลิ่นสัตว์กลิ่นรสสัตว์รส สัมผัสสักวาสัมผัสหรือว่าคิดจักรวาคิดตรงนั้นมาจิตมันกลืนสู่สภาพปกตินจะรู้สื่อๆรู้เฉยๆรู้จืดๆนี่แหละเข้มมาเราฝึกหัดในรูปแบบเหมือนนักมวยเตะกระสอบทรายเหมือนนักแม่นปืนยิงเป้าโตมันก็ น, นักว่ายน้ําฝึกหัดในสาวายน้ํามันก็เก่งกล้า หรือว่าแก่ก้าวขึ้นมฉันในคดีสติปัญญาก็เป็นนั้นนะเราอยู่กับโลกก็หลงไม่ตามอารมณ์ทางโลกที่โลกมีรสชาติเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นรสชาติของโลกเดี่อโลกโลกกิยธรรมรุมรสกลิ่นเสียงปอธะปลาธรรมอารมณ์มันรุนแรงชี้นำปุกเร้าสร้างกระแสยั่วยุเชิญชวน กูมีสตนิน้อยสติปฐานไม่ใช่ไม่มีนะมีมากมีน้อยนะผู้ที่มนีน้อยก็หลงเพลอไปแบบง่ายๆเราจะมาใช้สถานที่เช่นวัดป่าสุโตอย่างนี้ซึ่งมีอารมณ์ภายนอกน้อยมีสบายยะความสบายความสะดวกผู้หวังที่จะมีอายุ ย, ย, ยืนยาวก็ต้องมีความสะดวก ความสบายความผ่อนคลายประมาณในความสบายในความสะดวกแต่พอดีพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปมีกาลยานมิตรที่ดีมีศีลมีธรรมเป็นผู้ที่มีอายุยืนหรือว่าจิตใจมีความสบายสะดวกปลอดโปรง่งในการจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอน ก็ใช้ล้นานะของสบายะสถานที่สบายแต่ว่าเก็บอารมณ์เข้มว่ากการเต็นกันก็มีความสบายพอสมควรไม่หนาวไปไม่ร้อนไปแต่ว่าบางคนบางท่านอาจจะนั่งปฏิบัติอยู่ตามป่าซึ่งมันก็ยังมียุงอยู่บ้างบางช่วงหรือว่าบางทีอาจจะมีตัวลิ้น ตัวลิ้นตัวเล็กๆเหมือนมแมลงวีกัดคันมากนะตัวนีน้หลายคนอาจจะโดนกัดคันแบบไม่รู้ว่ามันคันอะไรไม่เห็นตัวไม่รู้จักมันจะเป็นขั้นตอนของการปรับเนื้อปรับตัวปับกายปรับใจเรียนรู้เป็นประสบการณ์ตรงของกาของเรามีา่จะมี ง, ง, เงูเงียวเขนะียวคอเลือ้อยเป็นพานอยู่จออากาศร้อนๆ อ, นอา้อาว อากาศเย็นๆก็อยู่รู้กันศึาลาสิ่งต่างๆเราก็ได้ใส่อาการเหล่านี้เราเป็นครูสอนเราบางทีรู้สึกตัวอยู่ดีๆเคลื่อนไหวได้ล่องกลมจิตใจเ็าพุ่งออกไปสนใจใส่ใจไราเหนอาการว่าบไหวบางทีก็อาการคันเจ็บปวดเมื่อยหรือว่าม้วงเหานอนจิตล้วก็วาบไหวบางทีก็คิดแปรดีคิดแปลอนาคตกัน คิดเรื ง, งานเรื่องบ้านเรื่องการเดินทางเรื่องหมู่คณะเรื่องสุขภาพมีปัญหาเรื่องใดก่อนมาปฏิบัติแสดงออกมาให้เราได้รู้จักตัวตนของเราเราจะได้เห็นทาสี 5, นะ่กัน5ได้เห็นอาการปฏิยาต่างต่า ง, างปรกากฏเป็นปัจจุันคนาเหมือนกันต่อเรามีที่พึ่งมีที่อยู่เบื้องต้นกระพึงกายเคลื่อนไหวใจรู้ กายทำลายใจทำด้วยเอากายเป็นวิห า, ารธรรมตัอาจะลดเท้าอางเรียกว่ารูปแบบพึงกายแบบกายยาโนปัสนาลี ป, า ท, ปทานเห็นกายในกายไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเป็นแบบกายเห็นเวทนาในเวทนาไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเมื่อก่อนเราเจ็บปวดมว ย, ยแล้วโอยแต่ตอนนี้เราดูอยู่รู้อยู่มีความอดทน จนไม่ต้องทนเพราะว่าสติมันมีกำลังเหตาการณ์ปวดแต่ว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนด้วยสติคิดลองขอเปลี่ยนหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งแล้วก็รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วมันคิดมันคิดมันคิดมีสติรู้สึกตัวเปลี่ยนจุดอ่อนเป็นจุดแข็งทันทีไม่หุนหันตันเล่นไม่ปวดพลาดไม่รีบร้อนไม่ร้อนล้น ไม่คนก็ไว้ใจปกติอยู่รู้อยู่แล้วค่อยๆเปลี่ยนให้เราเราก็ได้เห็นสติกับความอดทนกับความปวดมันเห็นมันแยกกันชัดๆอย่างนี้เหตการของกายเหการของจิตเหการของสติสามตัวตัวนะี้เป็นจุดเดียวกันขณะเดียวกันไม่ว่าแยกรูปแยกนามได้กระแสรหรือว่าได้หลัก ก็เห็นความคิดรู้ทันความคิดได้หลักตัวนี้แหละมันเป็นตัวพัฒนาเราดใจรอดนาของกิจกรรมหนึ่งวันสองวันสาวัน4ี่วันหวันหวัน 7, 7็ดวันที่กาหนดกาหนดในเกิ่งการกากับเพื่อเกิดกรอบให้กรอบให้เขตช่วยเราบอกเดีนยวทำตามใจตัวเองอะไรก็ได้หลายคนในที่นี้ก็ทำงานทำการจนกระทั่งมันก็ว่าเป็นเจ้าคนนายคน ไปขึ้นถรงขอสดของจุดที่เรียกว่าภูเขาหนอนนะบางคนน่ยมีก็มีเหลือล้นยุทยอก็มีจนเต็มที่อำํำนาจก็มีเยอะนั่นที่ก็มีอยู่บางคนก็บอกว่ามันได้ไประโยชน์จริงๆนะปฏิบัติที่แรกปฏิบัติเหมือนไม่รู้อะไรม า, มาเหมือนเออเรามาทําอะไรกันเนี่ยคนจํานวนเป็นร้อยเนี่ยจะทําไมมันเหมือนถูกหลอกให้มานั่งยกมือสั่งอย่างว่า มันถูกหลอกให้เดินจงคมไอ้เราเดินไปทำไมเนยมันตั้งหลายวันแล้วนะแล้วทุกคนก็ทำเหมือนกันด้วยนะตางคนก็ต่างเงียยตัางคนก็นั่งทำความเพียรเดินทาความเพียรกันจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของกิจกรรมที่เรามีศรัทธามีความเชื่อแบบเนี้ยเราเชื่อกรรมฐานแนวเคลื่อนไหวรูปแบบสี่ชั้นวัน ทำให้เราเห็นความคิดรู้ทันความคิดแล้วเราก็เจอว่าความคิดเป็นจุดกำเนิดองความทุกข์คิดเลิกโกรธลิกโลภเล้วหลงคิดละกรักเลิจังคิดลิาเลิกเยางเราก็ได้เห็นตัวเรากับตัวเราตัวเราที่เราทําให้ตัวเองทุกข์ตัวเราที่เราทําให้คนอื่นทุกข์เรยกาเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นพอเราเกิดเราไหวเดินยุ่กรมนั่งสร้างนี่หว่เราเห็นอ๋อความคิดถูกรู้เท่าขรู้ทัน ความทุกที่เกิดจากความคิดก็เบาๆบางๆลงไปไม่มีน้ำหนักไม่มีอำนาจไม่มีอิทธิพลต่อตัวเราเราได้เห็นอย่างเนี้เมื่อเกิดศรัทธาขึ้นเกิดความชั่วบวกปัญญาขึ้นเป็นความเชื่อที่ตัวใครตัวเราในผ่านประสบการณ์ร้อน ๆ, นๆ้อนหนาวหนาวมาฤดูกาลจนทั่งมาถึงการได้ยินได้ฟังเรื่องการฝึกสายสติแล้วก็ลงมือกระทาลงไปแล้วก็มีผล เรียกว่ารู้ปริยัติทฤษฎีลองมือกระทำจริงๆจังๆลงไปปฏิบัติเกิดผลขึ้นมาแล้วปฏิเบธเป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติแล้วก็เพิ่งได้แล้วก็พอใช้พอใช้ว่าเราทํากันจริงๆจังๆรู้แล้วรู้อีกรู้แล้วรู้อีกสะสมจนกระทั่งเป็นมหาสติเกิดยานของปัญญาขึ้นมาเป็นความว่องไวไวพิปฏิพานรู้ทันตัวเอง กายกันไหวก็รู้ทันของช้าๆหยาบๆความคิดของละเอียดยิ่งเมื่อเราฝึกดีๆสติปัญญามันรู้เท่ารู้ทันปฏิบัติกระมก็เห็นความจริงอางการว่าไหวของจิตจะเห็นจิตรู้จักจิตบางทีจิตก็สอนจิตบางทีก็สติสอนจิตมันเป็นยังไงจิตสอนจิตก็คือความคิดมันสอนความคิดนั่นลุงปุถิยนให้เปรียบเทียบจุดนี้ว่า เอาขี้เป็ดไปล้างขี้ไก่ในขณะที่จิตสอนจิตลักษณะของความคิดสอนความคิดไม่ทําอีกแล้วที่หลังจะไม่ทําเอาหนหน้าเอาหนหน้าครั้งสุดท้ายเฮ้อย่าทํานะมันผิดนะมันไม่ถูกต้องนะเอาเธอทําเธอเขาไม่รู้หรอกเอาเธอทําเธอเดี๋ยวอาจจะดีในวันหลังก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวทําผิดกันมากๆกระไายเป็นถูกเองแหละ ความคิดจะสอนความคิดประเภทนี้นะเฮ้ยไม่ได้หรอกเดี๋ยวเกิดเป็นลาเรื่องเป็นลาเอาแต่ครัง้งหนึ่งในชีวิตทํำเถิงใครๆก็กระกันเพืนเนี้ยจิตสอนจิตหลวงปู่เทียนเปรียบเที่าเอาขี้เป็ดไปล้างขี้ไก่เมือเรากลับมาสัมผัสกระทบ ร, รู้สึกตัวรู้ความคิดที่มันถูกรู้เท่ารู้ธรรมจะดับปั๊บลงไปนั่นคือสติสอนจิตอันนั้นันเป็นแล้วนะของปรมัติษฐ์แต่ว่าจิตสอนจิตยังเป็นสมมติอยู่ เพรา น, นัรูปแบบการเคลื่อนไหวนี่ยังเป็นสมมุติอยู่จนทางไรยรูปแบบถึงเป็นปรมตถสภาวะระดับของการปฏิบัติมันก็จึงต้องผ่านทั้งสมถะผ่านทั้งวิปัสนาผ่านทั้งสมมุติทางพันแหนผ่า น, ผ, า น, ผ, า น, ผ, านผ่านทั้งปรมัาถะมันเป็นเรื่องของความจริงที่เราปฏิบัติมันจะต้องมีล่องรอยเป็นล่องเป็นรอยเป็นช่องเป็นทางเหมือนเหมือนกันทุกคน เพราะนั้นสติปัฏฐานที่แท้จริงก็คือเรืของตัวรู้ที่มันถูกรู้เท่ารู้ทันรู้สึกตัวรู้สึกตัวสติปัฏฐานที่แท้จริงเลยรู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามเมื่อก่อนเห็นกายเฉยๆกายเป็นดุนก่อนแต่ว่าพอมาฝึกไปฝึกไปมันเป็นเรื่ของรูปธรรมรูปคันมันจะรู้สึกที่เข้าวที่เข้าจนต้องรู้ตัวทั่วพร้อม รู้ทั่วสารพางกายเถอะนี้มันจะรู้ตื่นเบิกบานมันไม่ไรู้เซ่เส่อมันจะรู้ซื่อซื้อขึ้นมันจะรู้เฉยเฉยแบบอ่อนโยนแบบสละสลวยแบบปวดผ่องแบบผ่องแผ่วแบบเป็นพรมจรรย์เนีรู้เฉยเฉยไม่รู้แล้วก็เฉยเฉยแบบไม่รู้นะมันเฉยรู้เฉยรู้เฉยรู้แต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเพราะมันไม่ใช่นาทีนาทีของเราคือ รู้ระหยุดรูะหยุดหุดที่เราหยุดที่เราไม่ได้ไปหยุดที่เขาเข า, เาแสดงตัวเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นพระไตรลักษณ์ของเขาสัจจะราศีบุคคลหนึ่งสองสามหรือว่าความคิดภายในใจของเราก็เหมือนกันห้ามไม่ได้พันธุวิธีการหลวงพูทเทียนจึงไม่ห้ามความคิดความคิดไหลมาก็ผ่านไปความคิดไหลมาก็ผ่านไปเราก็มีสภาวะของผู้ดูความเป็นปกติของจิต ตอนนั้นเป็นหลวงพอ่อมัจะพูดคําว่าชัยภมิหลวงพอ่อเขียนจิตมันอยู่สงฆิตสงส่วนจิตเตืยนคิดโลบคิดกดคิดหลงวิชาลิศยาเป็นสุขเป็นทัวนั้นจิตต่ําเป็นจิตปุถุชนไม่ใช่จิตพระจิตประมัปเป็นจิตที่สงกว่าความเป็นมนุษย์จิตเป็นมนุษย์มันก็สงแล้วรู้ความสาดสว่างสงบรู้คุณรู้ค่ารู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ช่วยมันก็สง แต่นี้มันจิตพราเชียวนะจิตพระเนี่มันมีกําลังก็คือพละนะั่นนะมันมีกําลังมันเป็นความปกติเป็นความว่างคําว่าว่างในที่นี้คือว่างแบบลอยตัวอยู่เหนือโลกว่าได้เป็นมุมของโลกุตละธรรมมันไม่ใช่มุมของโลกียธรรมมันก็เกิดจากการฝึกหัดแล้วแล้วก็ดูมันแต่เราไม่ได้ตั้งใจดูมันแต่ว่าตัวสติที่เราฝึกมามันแก่กล้าพอ มันเป็นตาในที่มันจะดูมันทําหน้าที่ด้วยตัวของมันเองแต่ว่าใหม่ๆเราต้องฝึกให้สติหน่อยกายเคลื่อนไหวใจรูก้กายเทำอะไรใจทํทุกอยาตัวนี้ฝึกหัดหนจาจนทำมันเห็นบุญเห็นบาปเห็นทานศีลภาวนามันเห็นมากพลิพานมันเห็นความเป็นปกติแล้วแหละความเป็นปกติมากๆเขาเป็นลรื่องของพื้นที่ของจิต ดันมีแต่ความเป็นปกติความเป็นโปกตุ่มก็มีพลังมันปกติมากๆก็มีพลังเมืม่ออารมณ์กระทบก็ไม่ได้กระเทือนอะไรไม่ได้วันไหวอะไรมันก็รู้อยู่นั่นคืออารมณ์นั่นคือคอารมณ์ไม่ใช่เรานั่นคือความคิดความคิดเป็นอาการของจิตมันก็ไม่ใช่เราตัวสติความเป็นปกติพึ่งได้แล้วก็เรียก ว, ว่าเลืมตาอาปากมีกินมีใช้ พึ่งตัวเองได้อาตาฮิอัตโนนาโถก็เกิดมาจุดนี้เนี่ตอนเป็นที่พึ่งของตรงการสอนของศาสนาสอนให้เพึ่งตัวเราความดีนี่มาจากชาวบ้านเขาเราไม่ได้ดีอะไรนะอาหารมันดีอากาศมันดีสิ่งแวลดล้อมมันดีเพื่อนก็เลยนนะ้มิตร ด, ดีความดียกให้คนอื่นความชั่วยอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดเราไม่มีดีอะไรก็อยา่างอย่างเช่นอาหารดีท้องเราดันไม่ดี ฉันก็ไปทานก็ไปก็ถ่ายท้องท้องเรามันไม่ดีไม่ใช่ว่าอาหารไม่ดีเมื่อเออดูกินไม่ถูกการละเทสมากไปน้อยไปไม่ถูกกับธาตุกับขันกับฤดูกาลท้องเราก็ปฏิเสธมันไม่ดีอาหารม่นก็ยังดีอยู่เหมือนเดิมอย่างนี้เป็นต้นอากาศก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีมันสบายแต่ว่ามันไม่เหมาะกับรงกายของเราว่ามันอาจจะแก่ไปหรือว่า ร่างกายของเรามันไม่มีไขมันมันก็หนาวร่างกายของเราไม่ดีก็เหมือนจิตใจของเราที่มันมีอะไรต่างๆมากมายเหลือเกินมวลินเครื่องเศร้าสมองมานอนเมื่ออยู่ในจิตใจในกรำมลสนานของเราเป็นนิสยัยเป็นอุปนิสยัยมากมายเหลือเกินก็แสดงออกออมาในรูปรอยของความคิดคิดแล้วคิดอีกไม่รู้จักจบหรู้จักสิ้น เราก็เห็นเป็นเรื่องของปรากฏการณ์ที่เราไม่ให้ค่าคิดเป็นสุขคิดเป็นทุกข์อารมณ์นี้เราพอใจอารมณ์นี้เราไม่พอใจไม่มีค่ามันม่วงก็รู้ว่ามันม่วงมันเบื่อรู้มันเบื่อมันกลัวรู้มันกลัวยาดอมบางคนเมื่อว่าทำบางคนนะว่าหายกลัวอย่างงงเขี้ยวเยวขอมันมีลักษณะของงูสงอางงูทําทาน งูทางมะพร้าวที่มนออกงูเหลือมมันก็มีนะสามสี่วันเนี้เห็นเกือบครบเดินไปเดินมาทั่วป่าออกหาอาหารกันพอสมควรมีบางคนบางแท่นไปนั่งอยู่ตรงก้อนหินใต้ต้นมะไฟกองนั้นงูหลายตัวเลยก็ไม่บอกอนะอยากให้มันเลื้อยออกมาแล้วก็ให้นักาทำเห็นเองวันนะันมีรูอยู่เยอะเลยนั่งหันหลังให้มันด้วย เวลานั่งเห็นเขาตั้งก้ออี้กันแล้วก็มองมาทางธรรมจักรที่นั่งท่างหลายแถวๆ น, น, นั้นงูทั้งนั้นดูงูทั้งนั้นแต่ว่าเขาก็รู้กาลเทศะอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติคอยระมัดระวังดีๆก็ไม่มีภัยอันตรายอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่ความระแวงระแวงนั้นมันเกิดภัยตั้งแต่ต้นเลยตัวเองทําร้ายตัวเองก่อนงูยังไม่ได้กัดหรอกแต่ว่า ในความที่ขาดสติก็เลยเป็นความกลัวขึ้นจริงๆแล้วอาการทั้งหมดไม่ใช่ว่าไม่ดีเช่นความง่วงไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่ามาให้ถูกเวลามาตอนก่อนนอ น, นดีจะได้หลับสบายความกลัวก็ไม่ใช่ไม่ดีออกมาถ้ามีสติจะไม่ใช่ให้กายเป็นกายชั่วอ้วกกลัวบาปถ้ากลัวบาปนะด่ดีกลัวทำคนอื่นทุกเนะ่ดีนี่คือสติมันเป็นอย่างนั้นเบื่อน่ดี แต่เป็นเบื่อทุกกลายเป็นนิพิทาไปเลยเบื่อทุกขี่เกียดแล้วเกินทำให้คนทุกเนี่ยอันนี้ดีกลายเป็นเรื่องของความเบื่อหน่ายครายจ้างไม่ให้ราคาเรื่องใหมันเบื่อแล้วมันก็ไม่ให้ค่าไม่ให้ราคามันเป็นความทุกเบื่อแต่ละขณนะเราก็เห็นแล้วมันเป็นอาการที่ไม่ใช่ปกติขยันมากเกินไปมีลักษณะของขอาการคาดสติก็มาเกี่ยวข้องกับกลายเป็นขยันหลงอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีสักตัวหรอก ต่าขาดสติรถดีๆขาดสติครับก็ไม่ถึงจุดหมายปลายทางรถไม่ดีควรมีสติครับค่อยๆไปก็ถึงจุดหมายปลายทางปลอดภัย เ, เป็นต้นเราก็จึงเหมือนกับว่าได้เห็นความจริงเป็นอาการที่แสดงออกที่กายที่ใจของเราผ่านการเคลื่อนการไหวรู้สึกตัวในรูปแบบเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเมื่อเรารู้แล้ว อย่างเมื่อวานคุณหมอบางท่านก็บอกว่าเวลาทํางานเนี่ยใช้ได้จริงๆไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาแก็บอนลมเหมือนกับมันเบื่อมากๆมันทุกข์มากๆพอมากลับออกไปกับสบายเบาโล่งเวลาทํางานนีคนไข้มาตรวจเยอะๆมันได้เห็นตัวเองชัดเวลามันไม่พอใจมันคิดไม่เดียวเห็นชัดเลือปฏิบัติที่วัดป่าโสโ ต, โตแต่ไปใช้ที่ทํางานมันได้ประโยชน์แบบนั้นอันนี้แหละบางทีมันเกิดขึ้นกับตัวเรา ที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันปฏิบัติแล้วจะได้อะไรพอถึงเวลาจริงๆับมันได้ใช้ความเป็นปกติตามมามันเป็นอย่างที่มันเป็นมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเพราะฉะนั้นของมันมีแล้วก็ได้ใช้ความเป็นปกติก็อยู่จุดนึ่งความไม่ปกติก็อยู่จุดหนึ่งความคิดก็เป็นอีกจุดหนึ่งอาการเคลื่อนไหวของกายก็เป็นอีกจุดหนึ่งเราก็จึงได้เห็นความเป็นปกติมอยู่กลางๆแล้วสูงๆ ควเป็นปกตินะตัวสตินะการ น, นี้ไอ้ตัวที่เป็นรูปขันนะสังเกตดีมันว่าไหวปัจะไปด้านขวานะนะแวะไปด้านขวานะเวลามันส่งตัวส่งศีลส่งธรรมนะเวลามันเผอหลงอวิชชาถลายลอแวบจิตตกทันทีนะแต่มันแวะไปด้านขวาลองแยกใครมาหน่อยสังเกตดีๆนะลองบอกแผนที่ให้จะเดินถึงไม่ถึงนัแล้วแต่สังเกตเป็นไม่เป็นก็ไม่ว่าอะไรเวลาไปคิดตอนแวบไปด้านซ้าย เวลามันกรอดมันลงล่างเลยนะหายใจไม่ทั่วท้องเสียวสะทุ้งหวัดประวาตัวสั่นนะมันบอกไม่ถูวมันลงล่างเวลามีความกลัวก็ลงล่างเหมือนกันเวลามันยิ้มมันพอใจจิตเป็นบุญมันขึ้นสูงมันมีตําแหน่งของมันแต่ไม่สูงเถ้าความว่างนะความว่างนี้อิสระเลยเหมือนกับมันปลดปล่อยทั้งเมื่อทั้งตัวทั้งกายทั้งใจโลกความคิดไม่ใื่อเรามันปลดปล่อยเลย เหมือนกับหลุดเลยที่ภาษาเขาเรียกวิมุดวิมุมันพ้นมันเป็นอย่างนั้นเองไม่ได้ถือสาหาความมาอะไรเลยไม่เป็นอะไรแต่รู้นะแต่มันรู้ถ้ามีอาการมันอยู่ให้สังเกตะตัวง่วงมาทางไหนทิศทางไหนผลักยังไงความคิดมันเกิดขึ้นมันผลักยังไงบางคนบอกว่ามันเหมือนกับมันแบ่งภาคมันเหมือนนั่งๆั่งอยู่เนี่ยมันเบลอตาดูไม่ก็ให้ชัดะมันเหมือนกับมันเครื่องรู้เครื่องหลงอ่ะ แล้วก็มันเหมือนกับมีอีกมิติหนึ่งซ้อนขึ้นมามีคนเดินมาอนุมโมทนาบุญพนมมือไหว้บางทีก็หยิบยื่นของมาให้เราก็ยื่นมือไปรับบางทีมันมีครึ่งรู้ครึ่งหลงจิตเบลอตกกวังความคิดจะแทรกขึ้นมาทันทีอาการนี้ให้แก้โดยการกลับมากระทบสัมผัสทันทีปัด ต, ตอนทันทีมันจึงมีมิติในเวลาปฏิบัติมิติซ้อนมิติมันมีอยู่ พบพรมต่างๆเกิดที่วิธีการคิดของเรามันมีจริงๆเราคิดยังไงก็ไปอย่างนั้นเหมือนก็จริงมานั่งยกเือร์อยู่เดียวเือยังเอื้อมมาเลยแหละบางทีจะเกิดสมาธิมากๆเกิดสีขึมามองไปนะเป็นสีเหลืองหมดเลยเหมือนบาเบลนิดหนึ่งมันมีจุดหนึ่งอัตมามีนะบางทีนั่งๆเ่ยนะเราทําจิตวางจิตให้ตกร่องมันจะเป็นสีม่วงแสงที่เกิดขึ้นมาที่ตาจะเป็นสีม่วงบางทีจะมีสีเขียวเกิดขึ้นมา เวลานั่งทําวัดเนี่ยท่านั่งได้พรเวลาฟังเทศหลวงพ่อนะผมเลิศมาชอบเล่นกับตรงนี้บางจิตวางใจสู่ตำแหน่งนี้บางทีงนนะจะเป็นสีว่าเป็นสีม่วงก็มีว่าเป็นสีเขียวนะบางทีปฏิบัติก็ว่าเป็นสีเหลืองมันเกิดขึ้นมันหลอกเรานะอาการวันนี้เขาเรียกวโอภาษนะเป็นเรื่ของวิปัสสนูเพราะนั้นเราเข้าถึงตัววิปัสนาญาณ ทุกๆขณะที่สัมผัสกระทบรู้สึกกระทบรู้สึกนี่คือตัวมีปันสนา น, น์น้อยๆเมื่อเราสะสมมากๆเวลาผ่านไปผ่านไปผ่านไ ป, นไปกลายเป็นยานใหญ่ขึ้นมันก็จะเห็นแล้วนะของจูตุปัิยานะนะมันมีอยู่คือเห็นแล้วนะของอดีตเป็นสุขยังไงเป็นทุกข์ยังไงเราทำคนอื่นยังไงก็เดินทํากันเราอย่างไงอารมณ์ที่เรียกว่าแปลกเป็นยังไงสนนลกเป็นยังไงอสุรกายเป็นไงเดรชาเป็นไงจะสังเกตได้เลยอยู่ภายในจิตใจของเรานี่เองนะ โดยเป็นเทวธรมมันเป็นยังไงให้ช่วกลวบาปเป็นไงจิตอยากให้เป็นงไงมีเมตตาเราณาไม่ตาเบียดข า, นะาเนี่ยมันจะบอกเราเกิดขึ้นขณะปฏิบัติทั้งหมดเลยเพรา ะ, ะนั้นการขยับเคลื่อนไหวให้มันฟ้องอยูนะ่จะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนจะพูดจะนิ่งต่างๆนะกิริยาอาการพฤติกรรมต่างๆนะมันฟ้องอยู่เป็นบนยังไงเป็นบาปยังไงเป็นธรรมชาติอย่างไงไม่มีล้นะของมายาสาไถนะรอยเล่พันเหลี่ยมยังไงเป็นความบริสุทธิ์ เป็นธรรมชาติล้วนๆของคนคนนั้นยังไงจะเข้าใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องของตัวเราเองเมื่อถึงตรงนี้มันจะเกิดประโยชน์ตนประโยชนย์ตนท่านขึ้นมาเกิดลษณะของการเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อกูลเป็นลักษณของธรรมจัดสรรให้เราต้องทําหน้าที่โดยไม่ต้องร้องขอต่อไปจะเกิดอาจารย์ที่เรียกว่าปิดทองหลังพระจะมาหรือว่าจะทําหน้าที่ต ร, ตรงๆเพราะว่ามันมีสมบัติอันญัติหรือว่ามันเป็นลนักษณะของ สิ่งที่ต้องทําเพราะว่ามีการบังคับทําอะไรต่างๆมากมายเหลือเกินที่เราจะต้องเกี่ยวข้องกับกายวาจาใจของเราด้วยสติมีสติก่อนคิดสติก่อนพูดสติก่อนทําสติขณะคิดขณะพูดขณะทำสติหลังคิดหลังพูดหลังทํามันจะเกิดขึ้นมาจริงๆก็จะเป็นเหมือนอย่างที่หลวงพ่อท่านเทศน์ไว้ก็คือมันจะเป็นแลน้วนะของความรักที่มีอยู่อย่างไม่ประมาณรักศัตรูลาสิ่งมันจะรักจริงๆแต่มันจัดระเบียบ จะรักผู้คนรักจริงๆแต่ว่าจัดระเบียบรักธรรมชาติแต่ว่าจัดระเบียบอย่างนั้นนะบางทีเราจัดระเบียบธรรมชาติภายนอกไม่ได้เราก็จัดระเบียบธรรมชาติภายในเช่นหลบแรงแลงแล้วก็หลบไปอยู่ภายใต้ศาลาซะแทนที่ไปจัดธรรมชาติภายนอกเนี้ยหรือว่าบางทีธรรมชาติภายนอกน้ำมันเดิมไม่ได้เราก็จัดระเบียบไป้ค่โดยการกรองออกมาแล้วก็ดื่มน้าําสะอาด อันนี้เราเป็นไปเพื่อลักษณะของความสุขเป็นไปลักษณะของเพื่อการปล่อยการวางทําไปวางไปทํางานทั้งวันเหมือนไม่ได้ทําอะไรประเภทนี้มันไม่ใช่เหมือนการคิดมากงานยังไม่ได้ทําแล้วคิดจนกระทั่งหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วเราก็สังเกตเอารู้สึกตัวเคลื่อนไหวทําทั้งวันเหมือนไม่ได้ทําอะไรมันมีอยู่จุดนี้เดินทั้งวันแป๊บแหมดวันแป๊บแหมดวันนี้แป๊บแบจะหมดคอร์สนี่แล้ว คอร์ดเจ็วันวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะได้ซดกับกรรมฐานเพราะฉะนั้นแม่แบบทําวันนี้นะให้ทําใจอย่างนี้นะทําใจเหมือ น, นว่าวันนี้เป็นวันแรกของคอร์ดปฏิบัติมันไม่ใช่วันสุดท้ายที่เราจะเลิกนะเป็นวันแรกที่เรามาเราจะเริ่มต้นฝึกขัดปฏิบัติที่แล้วก็แล้วไปวันหาเงินได้แล้วก็เก็บเอาไว้แล้วก็แล้วไปวันนี้จะต้องเริ่มต้นหาใหม่ให้เกี่ยวกันี้ ถ้าเราจะมีพลังมันก็ว่ามันจะมีความนั่นนะเก่งอกเก่งใจเหมือนเดิมแล้วมั่นระวังจะไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวอยู่นานๆถ้าคิดว่ามานานแล้วจะแก่วัดทันทีให้คิดว่าเพิ่งมาเพิ่งมาเพิ่งมาเหมือนกับผมเวลาจมาคิดว่าเพิ่งบวชอยู่เสมอมีความรสว่ามันเพิ่งบวชเมื่อวานเนี่ยเพิ่งบวชหรือวันเนี้อะไรมันจะคิดอยู่แบบเนี้มันไม่ได้คิดว่าบวชมาตั้งสิบห้าปีมันไม่ได้คิดอย่างนั้น 15, สิบห้าปันา มันคิดว่าจะต้องเริ่มต้นใหม่ต้องเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่อยู่ตลอดมันคิดอยู่อย่างเงี้ยก็จึงถนอมตัวเองความสมควรไม่ใ่ออนแอแต่เราไม่ระวังเดือแต่เวลาเราไปเยือนโลกก้างเรารู้แล้วว่ามันใช้ได้จริงๆเป็นต้นในโลกนี้มีทามีสันเซอร์มีลาบเสื่อมลาบมียศเสมยศมีสุมีทุกมันรู้ว่าเออพึงได้เพึ่งตัวของเราเนี่ยมันมีอยู่ความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวที่กายที่ใจที่ตัวสติตัวปกติ เราก็ไม่ประมาทกันตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็จึงอยู่ในบรรยากาศของกัลยาณมิตรเราเปิดบัดกันอยู่แต่ว่าผู้ทีอยู่เบื้องหลังเราช่วยเหลือเราอยู่คนในวัดทุกคนก็กําลังช่วยเหลือเราเราก็เอาโมทนามีบรรยากาศมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเราจึงใช้ลักษณะของความดีที่ผ่านมาใช้การประพฤติประจำของเราที่ผ่านมาหรือขณะนี้ก็ตามก็ให้เป็นไปเพื่อการทําที่สุดแตกองทุกข์ ก้าสู่กระแสของมรรคผลนิพพานทั้งเนื้อเกิดเนื้อแก่เนื้อเจ็บเนื้อตายก็ขอให้ได้สัมผัสกับทุกๆชีวิตในบันชาตินี้โดยตัวนาักการทุกท่านทุกรูปทุกนามเธอ